พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุรรอนธานีแสดงธรรมในวันที่สตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าตายแล้วไม่สูญบาปบุญพาไปอาลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันอังคารที่สตุลาคมพุทธศักราช2559ก็วันคืนเดือนปีจวนจะออกพรรษาแล้วยังไม่กี่สั ป, ปดาห์และกี่อาทิตย์วันที่16เป็นวันออกพรรษาแล้วก็วันที่23า เป็นวันกระถินของวัดเราพดฉงนั้นทางในครัวหรือว่าทางฝ่ายพระสงอันไหนที่พวกเราเคยจัดเคยทําช่วงออกพรรษาและเทศกาลกระถินก็ช่วยๆกันคิดนะนะพอหลวงพ่อมีแต่บอกกล่าวมานมนานแล้วนะต่อไปนี่เป็นหน้าที่ของลูกหลานพระลูกพระหลานศรัทธาญาติโยม ช่วยๆกันคิดรับแขกพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องก็รู้กันอยู่ว่าแต่ละปีเนี่ยพวกเราก็เห็นกันอยู่ว่าแต่ละปีขาดเหลือขาดตกบกพร่องอะไรในงานกระถินของพวกเราในเทศการออกพรรษาหรือ ก, กระถินก็ให้พวกเราดูจุดนั้นแต่หลวงพ่อ ห่วงตั้งแต่ถ้าคนมาเยอะมีห่วงตั้งแต่เรื่องน้ำนะเรื่องน้ำกับเรื่องไฟแต่ไฟเขาไม่ห่วงเท่าไหร่แต่คนมามากก็กางคืกลางคื น, คนวันสองวันนะนะั่นไฟฟ้าสแปนและไฟฟ้าสำรองพวกเราจะได้ขาดพวกน้ำหมวกน้ำมั น, มนพวกอะไรเตรียมพร้อมนะแต่เรื่องน้ำเนะี่ยให้สูบน้ำไว้แต็มเนิน ตออทางไหนต่อทางไห น, ตไหนหเตรียมพร้อมไว้เรื่องทางน้ําอย่าทักชราใจแต่ว่าจูนจวนวันก็นรีบขึ้นไปดูอีกตรวจตราดูให้เรียบร้อยเรื่องน้ํำเป็นปัจจัยสําคัญมากแต่คนมาเยอะๆเข้าห้องน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําชําระแล้วนั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแหะท่นี่เพราะนั้นเรื่องน้ำหลวงพ่อว่าถือเป็นหัวใจ ของคนชุมชนที่มาอยู่ด้วยกันหลายหลายคนสิ่เหล่านี้นก็ให้พวกพระรุ่นเก่านั่นะช่วยกันคิดแล้วก็บอกพวกน้องๆที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่รู้กศึกษาไปเรื่อยนะั่นอันนีกก้การอยู่ด้วยกันนมหลายคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าอยู่คนเดียวน่ลุงพ่อไม่พูดอย่างนี้หรอก มันง่ายๆถ้าพอหลายคนขึ้นมาก็นี่แหละอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละอันนี้ก็คือถึงจะมามากขนาดไหนก็คือญาติธรรมความอบอุ่นของเครือวงญาติของเราทางว่าพวกเราไม่มีวงสาคณายญาติโดดเดียวเดียวได้ก็พวกเราคิดดูก็แล้วกัน ก็หวยหุ้นอยากจะได้ให้มีหมูมีเพื่อนมาแต่มีหมูพวกเพื่อนศรัทธาญาติโยงก็มามากเราจะไปตั้งความราคาญไว้ก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนั่นแหะต้องรับต้ อ, ตอนรับขับสู้มันก็ไม่กี่วันปีหนึ่งมันก็ไม่มีกี่วันก็ผ่านไปเพราะนั้นขอให้พวกพระลูกหลานทุกอง์นะช่วยกันคิด อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละแต่ถึงอย่างไงในเมื่อทําการทํางานเราก็รู้วิธีการทาการทํางานแต่แล้หยุดทําการทํางานแล้วก่็ น, นั้นให้เล่งภาวนาใครเราเท่นี้เรื่องภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งเป็นหัวใจของพระกรรมฐานอย่างพวกเราเนี่ยพระธุรงงกรรมฐานเดีอยญาติศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องก็เหมือนกัน หัวใจของพวกเราก็คือเรื่องจิตภาวนาสสแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจตัวนี้เป็นหัวใจหลักถึงจะทำงานอย่างอื่นก็ทำไปเถอะอันนั้นเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยเ่าทนั้นเองอย่างที่หลวงพ่อที่พูดให้กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ย ก็เป็นปัจจัยอาศัยการอยู่ด้วยกันแต่ปัจจัยหลักที่พวกเราจะต้องคิดก็นเนี่แหละเรื่องจิตภาวนาสแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแต่นั้นเฉีงเหล่านั้นที่พูดมาก็ใช่เป็นเครื่องเอื้ออํานวยแต่ที่จะให้ถึงจิตใจจริงๆริงก็เรื่อง น, นี่แหละนั่งสมาธิภาวนาอันนี้เป็นเป็นเรื่องวัตใจจริง แต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องเอือเอ้ออำนวยวให้พวกเราให้ได้ค ร, บ ไ, รบได้รับความสะดวกสบายในการบําเพ็ญพจน์บาเพ็ญภาวนาเพื่อหวังเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร อ, าอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหานตสาวกทั้งหลายที่ท่านพาดำเนินมา กานบอกหวาน ถ, ถึงร่างกายของพวกเราถึงจะเรียงดีอิ่มมีพีมันขนาดไหนอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปัจจัยส่แต่ไม่แคล้วคลาดในเรื่องมรณะภัยที่จะตามมาลาวีตัวไปในอนาคตอันนี้เราต้องวางแผนเพื่ออนาคตการประกอบคุณงามความดีเพื่ออนาคตวางแผนเพื่ออนาคต ถ้าเราวางแผนดีเราก็ไม่ทุกใจเพราะเราได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเหมือนกับเราจะมีคำสั่งย้ายไปต่างประเทศอย่างนี้นะถึงเราจะไปประเทศไหนแต่เราก็ได้ ส, สวงหาทรัพย์ใส่กระเป๋าของเราเตรียมพร้อมไว้แล้วเราจะไปประเทศไหนเราก็ได้รับความสะดวกสบายนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราเตรียมบุญเตรียมกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแล้วเราจะถึงจะไปย้ายไปประเทศไหนย้ายไปพบภูมิใดที่เราจะต้องไปก็ล้วนแล้วแต่พบภูมินั้นมีแต่คอยรองรับผู้ที่เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลนี่แหะสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนาที่พวกเราได้ศึกษามาแล้วเนี่ย หลวงพ่อจะพูดไปอย่างไงอย่างไงก็พูดไปไม่ออกจะต้องบอกกล่าวว่าตายแล้วตายแล้วเกิดนะถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญนีนะ่มันหมดไม่รู้จะทําความดีไปเพื่ออะไรไม่ไม่รู้จะประกอบความดีไปเพื่ออะไรถ้าว่าตายแล้วเกิดเอาอะไรมาเป็นหลักพิสูจน์มันแหละเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิด เลือพูดแบบลุมหลุมแรงแรงพูดโน้มน้าวไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาท่านก็ไปเจอกับองค์พระองค์ท่านเองที่โครนต้นโพน ป, ปุบเพนิวาจุตูปปาตยานอาสาวะขยะยานในวันเดือน6กเพน จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้นาพระธรรมคําสอนที่ได้ประสบปการณ์ของพระ อ, องค์ออกมาประกาศเผยแพร่ให้กับพวกสาธุรสิทธิ์พุทธบริษัทให้ได้เรียนได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามแต่เมื่อพระสงฆ์สาวกในครังกันโนได้รับพระธรรมคําสอนทั้งบริษัทพุทธ ทบบริษัทสีของพระพุทธเจ้าได้รับพระธรรมคําสอนก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนที่พ ร, ระพุทธองค์ได้เจอได้พบอย่างนี้อย่างนี้นะในวันเดือน6เพนนีวันได้ตัดสู้ของเราต้องทําอย่างนี้จะนั้นสั่งสอนกันมาเป็นลําดับลําดับมาจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา จากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ 2,559 ปีกว่า 2,559 ปีที่พระองค์ปรตผ่านมาจากนั้นก็เนี่ยผู้บาอาจารย์ของพวกเราก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพุทธะพราะพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรในพระไตรปิฎกจากนั้นพวกเราก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติ เมื่อนํามาปฏิบัติแล้วต่างก็ยอมรับกันทั่วนหน้าถามรูส้สิคู่บ่ายยานของพวกเราหลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่ป่าดงพงภัยท่านปฏิบัติมาจิตภาวนามาถามองค์ไหนก็องค์งงนั้นองค์นั้นหละยืนหยัดยืนจันเลยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ท่านจะยืนยัดว่าเต็มร้อย ถ้าเป็นพันประเด็นก็เต็มพันเป็นหมื่น 100, เต็มหมื่น 100, เปอร์เซ็น 100, เพราะอะไรเพราะท่านได้พิสูจน์ด้วยตนเองอนี่แหละหลักพิสูจน์พระพุทธองค์ก็บอกไว้อีกต่างหากวิธีอยากจะรู้วิธีการพิสูจน์ทํำยังไงพระพุทธองค์ก็บอกพระพุทธองค์นั่งัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพุท ธ, ธะจนได้ตัดจรู้ในที่สุดจากนั้นพระธรรมคำสอนที่เอามาให้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจะเป็นหลวงปูล่ลาก็ตามที่หลวงพ่อที่เข้าไปศึกษาจะเป็นหลวงตามหาบัวจะเป็นหลวงปู่แวน้น หลวงปู่จามหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษากับท่านล้วนแล้วแต่แนะนำสั่งสอนให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพร้อมกับพุทธโธด้วยแต่กรรมาฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้อีก4ี่สอย่างการ น, นั่งกานทันก็จะบอพอประมาณไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงแค่นี้แต่ว่า กรรมาฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยท่านบอกว่าถ้าหากว่ากําหนดอย่างพระพุทธทเจ้ากําหนดลมหายใจเข้าออกมันหลุดมันหลุดนะมันหลุดมันหลงมันหลงมันเผลอได้ง่ายต้องสำทับกับพุทธโธด้วยนะอันนี้ทุกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ยอมน้อมรับว่าการสำทับกับพุทธโธมันเป็นเครื่องหมายอีกส่วนหนึ่ง วลเวลาหายใจเข้าขบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่ให้ใจของเราออกไปข้างนอกถ้ากำหนดลมหายใจมันหลงมันเผลอมันหลงเงื่อนได้ง่ายเพราะนั้นบริกรรมพทโทสำทับเข้าไปด้วยเพื่อให้มัน่นให้มัน่นมั่นคงในกรรมฐานนั้นอันนี้ก็คือกรรมฐานที่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราแนะนำครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นพ่อของพวกเรารุ่นปู่ของพวกเราเนะ่ยหลวงปู่มั่นน่รุ่นทวดนะที่ท่านสอนลูกของท่านลูกนั่นกันมาสอนพวกหลานพวกเหรนของพวกเราว่าให้พวกเราก็นํามาประพฤติปฏิบัติดูสิเถิดเนี่ย ก็ถ้าเอาพูดในปฏิบัติจริงปฏิบัติจังเอาจริงเอาจังก็เชื่อมั่นอีกเหมือนการวาดกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรื่องพิสูน์เรื่องว่าตายและเกิดด้วยตายและสูรไม่มีใครถกเถียงขึ้นมาได้อีกเหมือนกันยอมน้อมรับว่าเห็นจริงสิ่งที่มันตายใช่ร่างกายตายแน่นอน แต่ว่าจิตใจคือตัวนมามธรรมตัวนั้นล่ะออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นออกจากร่างนี้แล้วร่างนี้เหมือนกับเสื้อผ้าไปถึงมันเก่าแล้วก็จำรุดกขาแก้เสื้อผ้าออกจากนั้นก็สวมเสื้อผ้าที่เป็นทิพย์ขึ้นมาดวงวิญญาณก็ไปปฏิสนธิใน้พภูมิต่างๆสุดแท้แต่ บาปอาุศลที่ตนเองได้กระทำตัวนี้นแหละตนที่ว่าที่ครูบาอาจารย์บอกบาปอาุศล น, นี่แหละตัวนี้เนี่ยคือตัวที่ท่านให้ละเว้นหรือให้ระวีงระวังเรื่องบาปบาปอาุศลอย่าไปทำเรื่องบาปอาุศลถ้าไทยใครทำบาปอาุศลบาปอาุศลตัว น, นั้นจะพาดวงวิญญาณดวงใจ ตัวผู้รู้น่ะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่ต่ำต้อยลงไปเพราะบาปอากุศลเป็นผู้พาไป เ, เหมือนกับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้นะ อ, อ, อย่าไปทำความชั่วดเด้ออย่าไปฆ่าคนเอ้ออย่าไปขานนะยาขายาบ้ า, นนะอาเอ้อแต่มีเยอะเยอะแยะทิศกฎหมายเขบาบังคับไม่ให้ทำแต่ตัวเองไปทำอันนั้น ค, คือความชั่วนะ้ว พอความชั่วเขาจับได้เขาก็ไปขังไว้ในคุกมันก็ช่วยไม่ได้จะทํำยังไงเพราะตัวเองไปทําความชั่วอันนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ในหลักธรรมท่านสอนจะไปทําความชั่วเนอะแต่เราจึงไปฝืนทาความชั่วในเมื่อเราจากโลกที่ไปกรรมชั่วตอนนั้นก็มา เป็นเพื่อนสองของเราล็อกเราไปสู่ความทุกข์เขาคุกเข้าตารางของเมืองผีไปแล้วท่านใดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะจุดนี้ให้พว ก, พวกเราศึกษาเรื่องหลักของพุทธศาสนานะเป็นศาสตร์ที่ลึกลับพอสมควรเป็นศัพท์ที่ลึกซึ้งพอสมควรเป็นศัพท์ที่เน้นไปในถัง ถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็บแบบลมหลมแรงแรงแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ลมแรงถ้านเราดูแล้วพิสูจน์ดูแล้วเป็นวิทยาศาสตร์แต่ต้องได้ก็แล้วกันเรื่องจิตตภาวนานแต่เรื่องร่างกายก็คือเรื่องร่างกายแต่เรื่องจิตใจคือนามธรรมพระพุทธศาสนาให้ความสัมพันธ์จุดนี้ จุดถึงนา ม, มาธรรมเนี่ยมากกว่าเรื่องลูกประธรรมอา่าที่ท่านเป็นยกเป็นพุทธภาษิตเนี่ยหลวงพ่อยกและยกอีกว่ามนโนปุพังเนะีเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจใจก็คืออะไรคือตัวผู้รู้คือนา ม, มาธรรมตัวรู้ๆตัวนึกนึกคิดคิดเนี่ยแะแต่ทางโลกเขาเรียกว่าสมองทุกวันนี้ แต่ในหลักธรรมท่านวา่าใจหรือตัวตัวผู้รู้หรือน้ำพระธรรมนี่แหละสรุปแล้วก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละจะเรียกสมองก็ได้เรียกน้ำพระธรรมก็ได้จะเรียกผู้รู้ก็ได้จะเรียกวิญญาณก็ได้แต่ตามไม่จริงสรุปแล้วก็คือตัวที่เมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วตัวรู้น่ยจะเด่นชัดเป็นเอกเทศเป็นตัวของตัวเองเด่นชัด ในเมื่อเราจิตใจรวมเป็นสมาธิแล้วนะนี่แหละในเมื่อถึงจุดนั้นแล้วนะเราไม่ต้องถามใครนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำถึงจุดนั้นนะ่ะมันมัวเมียมันมืดมอ น, อนอนตะการสติก็ไม่อยู่กับตัวเองปุ่งฟุ้งซ่านอยู่ตลอดก็เลยจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลเพราะนั้นเราจุดนี้เราต้องศึกษาเราจะตั้งความ เรื่องของความประมาทเรื่องขอความไม่เชื่อไว้ก่อนไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะคือตั้งความเชื่อไว้ส่วนหนึ่งจากนั้นก็พี่โสตทำไมครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นท่านจึงยืนหยัดยืนหยัดนักหนาวัดตายแล้วต้องเกิดอกีกเราตรวจสอบทดลองดูสิพยายามนั่งภาวนาให้นาน กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งจนจิตเป็นอัปปนาสมาธิจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นเท่านั้นแหละเราจะหายสงสัยในตัวของเราเองไม่ต้องถามใครเลยเหมือนกับเรากิดเข้าวอิม่มไม่ต้องถามใครอิ่มมันเป็นยังไงไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเอง ก็ะองขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะคณทะทายาทโยมสรุปแล้วก็คือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทะ เ, เราเราทำดีแล้วจะเร็วได้อย่างไรถ้าเราทำเร็วทำชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรนีน่หละหลอมื่อจิตตั้งจิตภาวนาตั้งใจตั้งจิตตั้งใจภาวนาหาความสงบมันก็เข้าสู่ความสงบได้ เมื่อความสงบเข้ามาสู่จิตใจแล้วนะเราจะเชื่อเราจะเชื่อทมคำสอนของพุท ธ, ธะจิตใจของเราจะมั่นคงคาว่าแปรผันแปรเปลี่ยนไม่มีนะมีแต่ดิ่งจิตใจมีหนึ่งหนึ่งไม่มีสองในหลักทมคำสอนของพุท ธ, ธะไม่มีความ ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่หรือใช่มันจะไม่มีในใจถ้าเราได้ภาวนาแล้วนะแต่ถึงยังไงก็เถอนะแต่ถึงยังเราอย่งจิตใจ ย, ยังไม่สงบถึงขนาดนั้นเราก็ต้องฟังต้องศึกษาไว้ก่อนฟังท่านผู้รู้ไว้ก่อนถึงยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราคงไม่โกหกพกลมคงจะไม่ต้มตุนพวกเรา ท่านคงพูดจะตามความเป็นจริงเป็นจริงยังไงท่านคงจะพูดอย่างนั้นท่านหวังอะไรถ้าเมื่อตมตุ๋นจากพวกเราแล้วท่านก็ไม่ได้มุ่หวังอะไรมีแต่พวกเราเท่านั้นท่านก็จากไปไมารุกกี่รุ่นดุตินิพพานไปแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาใหญ่ทีหลังอย่างนี้นะก็ต้องศึกษาไปเมื่อศึกษาแล้วก็บอกกล่าวกันพี่พี่น้องๆพึ่งพ า, าอาศัยกันผู้ที่ไม่เคยก็ สอนกันบอกกล่าวกันผู้ที่รู้แล้วเออบอ ก, บอกต่อๆกันไปทำอย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้นะภาวนาอย่างนี้นะกำหนดอย่างนี้นะออจากนั้นเราก็ปฏิบัติตามนั่นแหละเมื่อเห็นผลแล้วก็ออมีแต่ความสุขกายสุขใจแหละทีน่นะ เ, ออเมื่อเราภาวนาได้แล้วนะสมชายมันบอกพ่อพ่อหลวงพ่อพ่ อ, พอ พวกเราละพรอนในี่นะ